การดูว่าบุคคลใดมีบุญวัสนามากน้อยนั้นกำหนดจิตดูจะรู้จะเห็นลําแสงกระแสของจิตได้อย่างชัดเจนจำแจ้งขณะที่อยู่เสนาสนาวัดป่าน้องแสงนี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีและท่านพระจาร์อ่อนยานสิริท่านได้เมตตามาเยี่ยมเย็นเสมอสมัยก่อนเสนาสนาจะเป็นกุฏิหลังเล็กๆห้องเดียวมีพระเนนอยู่เพียงสี่ห้ารูปเท่านั้น